ผูก่อนเขาดีโมเอ๊ะเขาจะทํารูปเหมือนลงตาเอ่อทำเหมือนลูกเหมือนลงตาแล้วก็จะนํารูปเหมือนลงต า, เ อ, งตาเอาขึ้นไปที่เจดีไม่ใช่พระใหญ่นะเจดีเอ่อลูปลูกหินอ่อนหินหินแ อ, องแอการ่าเออที่อะไรที่คุณนที่ในช่างแกะแกะหินแกหินพระพุทธรูปใหญ่นะั่นแห เขาก็เลยแกะลุงตาแกะลุงตาแล้วก็คงจะทำพิธีผี่น้องประชาชนอะไรยกขึ้นไปตั้งที่เจดีย์ชั้นบนเจดีย์ชั้นบนมีอยู่สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวแล้วก็ลวงตามหาบัว ก็มีสี่องค์น่งหลวงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงตามหาบัวสมเด็จพระสังฆราช<ม>หา้ห้าอยู่จันบทแต่หลวงตามหาบัวเนี่ยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มีแต่อาลูกท่านตั้งไว้เฉยๆไม่กล้าแกะสลักไม่กล้าทำลูกเหมือนพอหลวงตาดุก ก่อนที่จะมีรูปเหมือนต้องได้รับอนุญาตซะก่อนใช่ไหมละ่ะอันนี้ไม่มีใครไม่มีใครเข้าไปกล้าไปขออนุญาตจากหลวงตาก็เลยไม่มีรูปเหมือนออไม่มีลูกหินหินอ่อนแต่พอหลวงตาผ่านไปแล้วก็เลยเขาค่อยมาถามหลวงพ่ อ, อ, อจะทําหินแกะสลักได้ไหมหลวงพ่อได้ไม่มีใครดูเราสินี้ เราทําเพื่อบูชาพราะคุณหลวงตาไม่ได้ทําเพื่ออย่างอื่นพอเขาแก่สลักเสร็จเรียบร้อยเขาจะเจาะเจาะตรงไหนเจาะเข้าไปแล้วก็เขาจะเอาอธิธาต์ของหลวงตาเข้าไป อ, อแล้วก็จากนั้นเขาก็ใส่หินเข้าไปก็ปิดให้เป็นเนื้อเดียวกันอก็เป็นนั้นว่ามีอธิธาต์ของหลวงตาอยู่อยู่อยู่ในในนี้ด้วยนี่แหละเขาจะทําพิธีบันที่ยี่สิบหก ที่ญี่ปก่นที่จะถึงนะแล้วก็พร้อม ก, กันก็ถ้าเป็นไปได้นะหลวงปู่ลีผ้าแดงจะวางเจลาเลิกนะยวางเจลาเลิกสร้างเจดีของหลวงตานะที่ผ้าแดงแหละที่ผ้าแดงเล ย, แ, เลยแต่หลวงปู่ลีท่านเขบอกว่าหลวงตาไม่ให้สร้างเจดีที่วัดป่าบันตดัดเอ เพราะนันสร้างพิพิธภัณฑ์ที่บ้านตาดผ้าแดงสร้างเจดีย์ทาจะว่าไปแล้วก็ถ้าจะว่าไปเลยทาไมสมัยลงลงตาอยู่เลยเนี่ยลงทานลงปู่ลีจะให้จะสร้างเจดีย์ลงตาก็ไม่ให้สร้างอย่างเก่าไ่นแล้วถ้าว่าลงตาอย่างยังทรงทาสขันอยู่ลงปู่ลีไปขอสร้างเจดีย์ลงตากไม่ให้สร้างอย่างเก่านั้นล้วอันนี้ลงตู่ีเนี่ยเอา พูดเอาแต่ดีเข้าข้างตัวเองนิดน้อแต่ก็ไม่เป็นไรหลวงพอ่อหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะจะพูดทางนี้ทางนั้นก็เห็นด้วยหลวงปู่ลีสมควรจะสร้างนี่แหละถ้าท่านจะสร้างนะเพราะหลวงปู่ลีท่านก็อายุเก้าสิบปีอนะไรนี้ยเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดปีแล้วในเมื่อสร้างขึ้นมานะะเนี่ยเราจะทายัายางไงก็ต้องอัตถบริกานรนะว่าของหลวงปู่ลีกนคงจะอยู่ในนั้นด้วย แต่ว่าเจดีของหลวงตาเจดีหลวงตาไปถึงไหนแล้วหลวงพอ่ออันนี้มีคนมาถามบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวนี้ทางอะไรมหาวิทยาลัยรกรมศิลปากรเขาขึ้นมาเมื่อวันที่เท่าไหร่นอกวันที่วันที่สิบหรือวันที่สิบสองเขาขึ้นติดตามผลว่า จะเอาอยัางไงจะสร้างที่ตรงไหนแต่เดี๋ยวที่ยังยังไม่ชัดเจนแต่แล้เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆล่ะพอลุงปู่บุญมีท่านก็บอกว่าน่าจะเอาบริเวณเมนหลวงปู่ลีก็ว่าน่าจะเอาบริเวณเมนแต่ก่อนหน้านี้ก็ใครเข้าแยกไปคนอาทิตย์คนละทางกันอยู่แต่ตามไม่จริงเอาบริเวณเมนศาลาจะเอาอยัางไงศาลาใหญ่ ก็มาคิดกันว่าอาจจะได้ย้ายศาลาแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะย้ายศาลาจุดนี้แต่ศาลาเนี่ยก็ไม่ใช่ท้าวอ น, นยมันเป็นศาลาไม้จะอยู่ได้อีกก็ไม่น่าแต่ถึงสิบยี่สิบปีก็คงจะไม้ก็คงจะปุกพังไปตามอายุสังขารเพราะไม่ใช่อาคารปูนตามปกติไม้เนห้าหกสิบปีถ้ารักษาดีๆนะ กับประมาณนี้แหละมันก็หมดอายุหมดอายุของไม้ทีเรามองมองดูเนะี่ยมันมันเหมือนข้างข้างนอกมบดีแต่พอเลื่อยเข้าไปข้างในเนะี่ยสีขาวของมันเนะี่ยมันดูหน่อยเดียวจะตรงนั้นเป็นสีแดงนะว่าคล้ายๆว่ามันมันเริ่มเริ่มหมดสภาพแล้วยไม้ทุกทีอันเนี้ยอายุหกสิบเจ็สิบปีแตมันลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็กองหลงตาก็คองลักษณะอย่างนั้น แต่ตามไม่จริงพวกกรมสิน เ, เมื่อวันที่วันที่วันที่สิบสองมกราจากวันที่สิบสองมกราปีเนี่ยปีสองพันรยห้าสิบห้าเนี่ยฟ้าหญิงเล็กท่านให้ลูกสาวขึ้นมาพระองค์เจ้าสิริพาสิริพาจุทาพรกับคณะอาจารย์สินรับกร มหาวิทยาลัยประมาณ10บประมาณ10บท่านขึ้นมาประชุมพร้อมกับพระสงฆ์ที่วัดป่าบ้านตาดที่ซาลาใหญนะ่มาประชมุมหลวงพ่อก็ได้เข้าไปประชุมด้วยวันนั้นท่านก็ผู้ที่เข้าประชุมนะก็มีชื่อทุกคนมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีผู้ ก, การทหารบกจังหวัดมีโยธาจังหวัดมีหัวหน้าส่วนราชการ ของจังหวัดผู้ใหญ่ในะจังหวัดทั้งหมดและ้ะคณะสงฆ์ที่เป็นศิษย์ญาติศิษ์ของหลวงตาฝ่ายพระสงค์เกือบจังวัดทั้งหมดแต่หลวงปู่ลีกับหลวงปู่บุญมีเนี่ยไม่ได้เข้าแต่ไปอยู่ไปอยู่ผมไม่เข้านะผมนั่งไม่ไหวเนีผมขอไปก่อนท่านก็นให้ความคิดเสร็จแล้วท่านก็นออกไปหลวงพ่อก็เลยเข้าไปไปประชุมไปประชุมก็มีคณาจารย์อย่างที่ว่านั่นแหะ มีพระ อ, องค์เจ้าสิริพาจุฑาภรและก็เมียอาจารย์ของท่านท่านบอกว่าในหน้าที่มาประชมุมวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะทราบว่าการสร้างเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยทาไมสร้างสร้างที่ไหนอย่างไรเขาอธิบายอธิบายแบบกรมศิลป์ของเขาพออธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระ อ, องค์เจ้าสิริพาท่านก็บอกว่า ที่ดิฉันมาที่นําคณะมาก็ว่าคุณแม่เป็นผู้มอบหมายเป็นผู้มอบฝังให้ดิฉันชักชวนครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นผู้มีศรัทธาที่จะมาทมําบูชาองค์หลวงตาทั้งหมดที่มาอทั้งหมดยี่สิบยสิบกว่าท่านหรือยีสิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดท่านที่สมัครใจเข้ามาทํางานจุดนี้อคุณแม่ก็นับถือเรื่มใสว่าหลวงตาหรือหลวงตาเป็นเป็นท่านพ่อ หนูก็เป็นเป็ดลูกลูกหลานๆก็เลยรับหน้าที่นี้แทนกับครูบาอาจารย์แต่ส่วนจะทํำยังไงก็จะปรึกษากับคณะสงฆ์แต่ในคนคนที่สามขาพูดว่าเนี่ยที่พวกผมมาวันนี้ก็ได้เขียนลูกพระเจดีย์ขึ้นมาเป็นข้าวๆมีลูกลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วจะเอาลงที่ไหนตรงไหนส่วนใหญ่เล็กสูงต่ํำยังไงแล้วก็ เนื้อหาสาระข้างในจะเป็นยังไงก็จะได้ปรึกษากับครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์ว่าจะเอายังไงแต่งบประมาณกะกันเข้าๆวๆพริกพกผมกะกันเข้าๆเนี่ยเจดี JD ของโรงตาเนี่ยเขียนไว้ประมาณสักเจดี JD ประมาณห0สล้านแล้วก็พิพิธภัณฑ์สิบล้านเพราะว่า ปีนี้ก็เป็นปีน้ำท่วมพี่น้องผู้ที่จะเคยให้มากก็คงจะลดลงแล้วก็คุณแม่แล้วก็ที่ปรึกษากันก็ว่าน่าขนาดนี้น่าจะเพียงพ อ, อในเรื่องนี้ก็อยากจะปรึกษากับคณ ะ, ะสงฆ์อีกเหมือนกันว่าจะเหมาะสมมากน้อยอย่างไรแค่ไหนแต่ในหลวงพ่อก็เลยแต่นี้ต่อไปถ้าว่าพระสงฆ์เห็นรูก ที่เป็นโมเดลทั้งหมดเนี่ย ต, ติดโมเดลไปหมดถ้าหากว่ า, เ, าเป็นที่พอใจแล้วก็คงจะเดินตา ม, ตามนี้ไปแต่ถ้ า, าว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์มีความเห็นว่ายังไงก็จะฟังความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อไปแต่นี้ก็ไม่มีใครพูดหลวงพ่อก็เลยจับใหม่มากเลยเป็นผู้ชี้แจง เ, <laughs> เป็นผู้ชี้แจง หลวงพ่อบอกว่าในวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พระ อ, องค์เจ้าสิติพาจุฑาภรณ์ที่เป็นลูกทุนกระหม่อมฟ้าหญิงแล้วก็คณะครูบาอาจารย์แล้วก็มีผู้วาราชการจังหวัดแล้วก็พุกทหารบกจังหวัดแล้วก็พุกการตํารวจทุกหัวหน้าสว่วนราชการในจังหวัดอุดรพร้อมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาฝ่ายพระสงฆ์ทุกศิษย์ลูกหาลงตาเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่ ก็พร้อมวันนี้ถือว่าเป็นการพบกันเป็นวันแรกครั้งแรกในการที่จะประชุมเจดีแต่ก่อนหน้านี้ก็มาคนละคนะทิศคณละทางกันแล้วก็เมื่อเมื่อเขาหนึ่งกคยทัดกันประชุมกันครั้งหนึ่งแล้วแะแต่น้ำท่วมสะก็เลยเลือกลากันแต่คราวนี้พอวันนี้ก็ได้มาพบกันได้พบพร้อมหนา้าพร้อมตากันเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคล อย่างยิ่งที่พวกเราได้ลูกหลานได้เข้ามาพร้อมกันเพื่อจะสร้างเจดีย์องค์หลวงตาแต่หลวงพ่อขอเท้าความเอทางหลังเพราะว่าพวกที่มาร่วมประชุมในวันนี้เอหลวงตาเนี่ยเคยพูดไหมหลวงตาเนี่ยเคยปรารถถึงไหมเรื่องเจดีย์เนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะไม่รู้แต่หลวงพ่อเนี่ยรู้มาตลอดเพราะฉะนั้นจึงขอเท้าความให้แก่คณะสงฆ์ทุกองเอ ทวนความจำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝ่ายคณะสธา ญ, ญาติโยมครูบาอาจารย์ทุกคนที่มาร่วมเนี่ยฟังโดยซีว่าหลวงพอ่อที่หลวงพ่อจะได้เท่าความให้ฟังเนี่ยคือเมื่อสองปีให้หลังเมื่อสองปีให้หลังเมื่อหลวงตา ย, ยังสงทาทขันอยู่ก่อนหน้านั้นเท่าแก่สมหมายจังหวัดร้อยเอ็ดท่านมาขออนุญาตสร้างเจดีย์ ของหลวงตาโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลวงตาอะไรทั้งหมดเขาพร้อมที่จะเอาเงินทุนทรัพย์ของเขาสร้างเกดีต่อยหลวงตาหลวงตาจะอนุญาตไหมหลวงตาบอกว่าไม่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ไม่เกี่ยวกับใครหลวงตาอนุญาตอนุญาตให้สร้างให้ทําได้แต่พอขออนุญาตได้แล้วเขาก็มาขออีกขอชื่อ เบอกว่าหลวงตาเจดีนี่จะชื่อว่ายังไงหลวงตาก็เมตตาตั้งชื่อให้เขาตั้งชื่อว่าเจดีมหามงคลบวัวท่านก็ตั้งชื่อให้เจดีมหามงคลบวัวเขาก็ได้ดําเนินการต่อไปเขาเกิดเขียนแบบแปลนในขณะที่เขาเขียนแบบแปลนหลวงพ่อเองในฝ่ายพระสงฆ์ก็เออเท่าแก่ส ม, มยัยเขายังมาขออนุญาตจากหลวงตาได้ พวกเราเป็นฝ่ายลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีมากมายเต็มวัดที่ไหนๆมามากไม่มีใครกล้าขอเพราะอะไรเพราะกลัวหลวงตาด่าแต่ทีนี้เราไปกลัวอยู่อย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าหลวงตาจะให้หรือไม่ให้ถ้าเราไปขอหลวงตาอาจจะให้ก็ได้เหมือนคุณทศแก่สมหมายขอนีออ่ถ้าว่าไปขอแล้ว หลวงตาอาจจะด่าเราก็ได้เออมันก็เสียงทั้งสองอีกเหมือนกันแต่ถึงยังไงถ้าหาว่าเราไม่ขอเดี๋ยวเราก็ไม่รู้เพราะนั้นเราควรจะขอให้หรือไม่ให้ได้หรือไม่ได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่เนี่ก็ใครจะเป็นคนขอเลยนะเออใครจะเป็นคนขอใครก็กลัวหมดออขนาดหลวงพออ่อเอเป็นต้นของคิดหลวงพ่อก็ไม่กล้าเข้าขออีกเหมือนกัน ถ้าท่านดา่ามันมันรับไม่ไหวมันเก่งๆนะหลวงตาด่าโอ้โหโโโโโโมันหนักยิ่งกว่าคว้านแปดปอนด์อีกว่างั้นเถอะเออแต่เนี้เราเอาอยัางไงเราก็เอาหนังสือนี่แหละเอากระดาษมาก็มาเขียนพอเขียนเสร็จแล้วก็ให้ท่านรัตนะเป็นคนร่างร่างจดหมายเขาเก่งเขาเก่งภาษาว่างั้นเถอะแต่หลวงพ่อเนี่เก่งเอาแนวความคิดว่าจะพูดยังไงจะพูดกับหลวงตาจะพูดยังไง แต่ท่านรัตน่เป็นคนล่างเสร็จแล้วก็วันนั้นเข้าไปไประชุมเกี่ยวกับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยพระรุ่นใหญ่เนี่ยลูกศิษย์เนี่ยเข้าไปเกือบยี่สิบสามสิบองค์มาเข้าไปกันเลยเออพวกเราจะขออนุ ญ, ญาตสร้างเจดีย์หลวงตาไหมทางฝ่ายพระโอ้ท่านจะไม่ดุแล้วเอาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก็เลยอ่านอ่านล่ามหนังสืออ่านล่ามตัวนี้ยนหะ อ่าในฝั้ังเออเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าเออปะ่ะแต่เน่ก็เลยเข้าไปไปกราบเรียนท่านกราบเรียนเรื่องสถานีวิทยุขอาการ์ดคับหลวงตาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเนี่ยทางบริษัทไทยคมเขาเนี่ยหมดอายุแล้วเขาเ อ, อจะให้ต่ออายุแต่ต่อรองแล้วพวกเราต่อรองแล้วเขาคิดปีละห้าล้านแต่ถ้าหากว่าต่อไปนี้ ถ้าจะยืนอีกห้าปีเขาจะให้ปีละห้าล้านล้าล้านแต่ถ้าหากว่าเอาปีต่อปีปีหน้าอาจจะขึ้นก็ได้อาจจะลงก็ได้มันเป็นสองอาจเพราะนั้นหลวงตาจะสมทานห้าปีเลยไหมหรือว่าจะสมทานเป็นปีๆหลวงตาก็บอกว่าเขาเอาทีเดียวไหมห้าปีนั้น ลงตาถามเขาเอาทีเดียวไม่ห้าปีไม่กรับผมเขาจะเอาปีชนปีปีชนปีเออเอาถ้าปีชนปีแล้วเอ า, เอาลงตา่็อนุ ญ, ญาตว่าเอาไอา้ข้าวปีหนึ่งจะจ่ายเงิน5้าล้านจ่ายเงินห้าล้านแต่ละปีเอาเอาเลยหมอในห้าปีแต่นี้นพอจบเรื่องนั้นเลยก็เลยขอการพระแม่กุจารย์ขอจารอ่านรายงานกาบเรียนพ่อแม่กุจาร์ฮะ แต่ให้ก็เลยท่านนพดลก็คนอ่านบาเนี้ยเราก็ไม่อ่านเหมือนกันนะพราะลงตาเนี่ยไม่ไม่มีใครกล้าเสียงเหมือนกันเน่ยเออต้องอ่านต้องนนพดลอ่านกกราบนักบัณการพ่อแม่ครูจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งคณะสิทธิาธุ้สิทธิเห็นพร้องต้องกันทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายฆราวาสขออนุญาตพ่อแม่ครูจารย์เพื่อจะสร้างเจดีย์ที่วัดป่าบ้านตาด เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าเพราะวัดป่าบ้านตาดเป็นที่อยู่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่เมื่อทราบมาไม่นานมานี้เท่าแก่สมหมายสมทรัพก็ได้มาขออนุญาตเพื่อสร้างเจดีพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ได้อนุญาตให้เขาไปแล้วเพราะนั้นพวกคณะสงฆ์และคณะสิทธิ์พวกกับผม ทุกคนจะเห็นพ้องต้องการว่าสมควรที่จะขออนุญาตพ่อแม่กุย์สร้างเจดีย์ที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของลูกหลานต่อไปในอนาคตควรหรือไม่ควรอย่างไรขอขอพ่อแม่กุย์โปรดพระเมตตาพอจบเท่านั้นแหละไม่ให้ <laughs> ไม่อนุญาตทำทำไม เห็นสร้างเจดีขึ้นมามีแต่เรื่องยุ่งเยอะวุ่นวายไม่ให้เพราะว่าเนี่ยที่เราทําไปแล้วเนี่ยเห็นไหมธรรมะที่เราให้เนี่ยเอเราสงเคราะห์ไปนะี่ยอันนี้แหละมันเกิดประโยชน์เจดีสร้างขึ้นมาที่จะเกิดประโยชน์อะไรเรามองไม่เห็นประโยชน์ที่จะสร้างเพราะนั้นเราไม่อนุญาตอย่าคิดนะอย่าทํานะยศใจนะพวกเราเรเถิ บอหลอมกลมก้อยโอ้หลงตาเอาจริงวะหะัจากนั้นก็ถอยกันแล้วทีนี้ถอยกันเนอะเราก็หยุดคิดแล้วงั้นเอาจดหมายมาจดหมายหลวงพ่อไจับมาได้ก็พับใส่ย่ามเอ่อท่านี้พอมาอีกสองสามวันเลยสามสี่วันตอนเช้าที่ท่านจะฉันจังหันนั่นะท่านบอกว่าเนี่ยนะวันวานวันก่อนนั้น่ะ เอนี่พระอะไรมาขออนุญาตสร้างเจดีย์กับเราเราไม่อนุญาตที่จะสร้างเจดีย์เรามองไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าว่าสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์เอาผลงานของเราออกมาที่เราทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติทําคุณประโยชน์ทําประโยชน์ให้แก่โลกมีมากผลงานของเราถ้านํำทำคําสอนห แ, แนวปฏิปทาของเรา ช่วยสงเคราะห์โลกออกมาเรายังมองเห็นประโยชน์เออประโยชน์ที่จะเกิดกับอนุชนรุ่นหลังแต่จะสร้างเจดีย์เฉยๆเราไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าเออเมืแ่อบบสร้างเจดีย์ขึ้นมาแล้วจุกปุกขึ้นมาแล้วคนขึ้นก็มากราบเออขึ้นมากรา บ, แบบปลกุกปลกุกปลกุกปลกุกเออขอให้ข้ารวยขอให้ข้าสวยขอให้ข้างามขอให้ข้ามีความสุขเพ่นแหนบก็มีแค่นั้น มันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเออถ้าหากว่าเอาผลงานของเราออกมาเข้าขึ้นมาแล้วก็มาดูดูดูดเออเออลงตาทํำยังไงช่วยสงเคราะห์โลกอย่างไงเออให้ธรรมะอย่างไงมีแผ่นอย่างนั้นอะไรแนวความคิดอย่างนั้นเราพอจะเห็นแนวทางจะเกิดประโยชน์ต่อคนต่อไปภายภาคหน้าถ้ า, าว่าสร้างจีนหรือเถื่อเราไม่เราไม่เห็นด้วย จากนั้นท่านก็พูดไปอย่างอื่นจากน่้นก็ชั้นจังหวันพอต่อมาอีกจะไงเราก็ได้ยินทางนี้ก็เราก็ได้ยินแล้วเปิดวิทยุเราก็ได้ยินใช่ไหมเอ่อหลวงตาพูดยังไงอยู่พูดแ่ามว่าจะบริสุทธิ์จะเอาความดางมาจากไหนนอกจากจิตเหตมันด่างเนี่ยเจตานนี้วิทยุของหลวงพอนะ่อเนี่ยเห็นมร้อยเจ็ดจุดสองห้าหลวงพ่อก็ได้ยินทางนี้อีกเหมือนกันนะท่านพูดทางนู้นอ่ะแต่เนี่ยก็ หลวงพ่ อ, ก, อก็แต่งตำราใหม่อีกสิไงแต่งตำราใหม่อีกเอาเอาให้เข้าตำราเลยบานเนี่บพอเด็กก็เข้าไปไปชมอีกพระสงฆ์ก็เข้าไปอีกให้ท่านอุปนอสัยอีกเหมือนกันเลยเข้าไปข่าวน ก, นก็นกราบขอกราบพ่อแม่กูญาจ์ด้วยความเคารพคารวะอย่างสูงยิ่งพวกคณะสิทธิานุสิ์เอเห็นพอ้องต้องกันว่าที่พ่อแม่กูญาจปรารบว่า การสร้างเจดีย์นั้นไม่เกิดประโยชน์แล้วก็การสร้างพิพิธภัณฑ์จะเกิดประโยชน์แต่อนุชนรุ่นหลังต่อไปภายภาคหน้าพวกเก้าขะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับพ่อแม่คุยจานเหมือนกับที่จะสร้างเลยเหมือนกับสร้างพิพิธภัณฑ์ของปันในเลสสวนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ทีความเป็นมาของปันในเลสสวนเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายในนั้นในกับพ่อแม่คุยจาน เป็นผู้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์หาทองคําเข้าคลังหลวงแล้วก็ช่วยประเทศชาติอย่างอื่นโรงเรียนโรงพยาบาลมากมายผลงานของพ่อแม่ครูจารย์ที่ทําประโยชน์ให้แก่โลกให้แก่ประเทศชาติพวกเก้ากองผมจะนําผลงาน อ, ออกมา เ, เป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์เพราะพ่อแม่ครูจารย์เป็นผู้ชนะ ทุกอย่างชนะยิ่งกว่าสิบเท็ดอีกเพราะชนะกิเลสภายในใจไม่มาเวียนว่ายอีกแล้วไม่มดเกิดอีกแล้วในวัฏสงสารเป็นอนันตการเพราะฉะนั้นพวกเก้าขะผมเห็นว่าที่พระแม่กุญแจ์ปารบว่าที่จะสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์นั้นพวกเก้าขะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งขอพระแม่กุญาจา์โปรดเมตตาอนุญาตในการสร้างพิพิธภัณฑ์พออ่านจบแล้วเน้อ เอเอเราเลยเออเราพอเออต่านเราก็ข อ, อการพระแม่กุญจานทร์จะสร้างที่ตรงไหนก็ผมเสนอลุกเลยแบบนั้นเถอะอลุกว่าขอโอกาสพระแม่กุญจานทร์จะสร้างที่ตรงไหนก็ผมที่จะสร้างเจดีย์ท่านเออถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราเราจะไปชี้จุดให้ครับผมจากนั้นเราก็เลือกกันเถอะนี่เราก็ตั้งความหวังไว้เลยทีนีน้พอต่อมาอีกท่านนี้ สามสีหเจ็วันให้หลังแล้วก็บอกท่านปิ๋วนะกับผู้กํากับสั่งไว้ปิ๋วกับผู้กำกั บ, ก บ, ก บ, กกบถ้าพ่อแม่กุญจานทร์ตรงตาเดินออกมาทางหน้าวัดให้พวกท่านกาบเรียนท่านน้วยนะทวนความจําว่าที่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์อยากจะให้พ่อแม่กุญจานทร์ชี้จุดสถานที่นั้นพ่อแม่กุญจานทร์จะชี้จุดไหนกับผมเผยให้ถามท่านนะ <c oughs> พอดีท่านเดินออกมาหน้าประตู พอเดินออกมาหน้าประตูพระท่านปิ๋วกับผู้กรมเกับก็เลยถามท่านท่านก็เอออ่ะท่านก็เดินมาเดินมาเดินมามาถึงหน้าศาลาใหญ่ไอ้ตรงที่เมนนะั่นแหะเออมาถึงที่เมนก็มองรอบเออเอาตรงนี้แหละนะเอาตรงนี้แหละที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เข้าตรงนี้พอจากนั้นท่านปิ๋วก็เลยเอาหลักปูนทีเมนไปปักเออไปปักไว้หลักใหญ่พอสมควรเหมือนกันเอะอ่าไปปักตรงนั้น แต่ด้พอพอไปปากท่าตอนเช้าทเถอยคือหลงตาไม่บินธบาทในช่วงนั้นเพราะว่าท่านท่านรับบิณฑบาตไม่ไหวคนใส่บาทเยอะท่านว่าไงเออบางทีเขาใส่บาทเข้าไปก็หวดัอมันจะเป็นลมหน้ามืดไอ้ต่างหากท่านเลยไม่บินธบัตรท่านไปเดินจงกรมเลยพอตอนเช้ามาท่านไปเดินจงกรมในป่าในหลังกุดกองติท่านท่านไปเดินจงกรมพอได้เวลาพระมาถึงที่ศาลาแล้วท่านอยู่จะค่อยเดินลงมา มาฉัดเจ่องันแต่ได้พอมาถึงมาที่ศาลานะอีอยมาเห็นท่านปิวท่านปิวก็ขาไปรับของท่านก็ชี้แลวที่เราไปชี้เมื่อวานเนี่ยนะเราไปชี้จุดฐ า, านที่ที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์นนะ่ะอย่าเพิ่งทำอะไรนะเอาไว้ก่อนจนกว่าเราจะสั่งเป็นอย่างอื่นหรือเราจะให้ทำหรือไม่ทำเราอนุญาตซะก่อนอย่าค่อยทำนะถ้านเราไม่ได้พูดอะไรอย่าเพิ่งทำอะไรนะเข้าใจไหม ท่านปิยวว่าขับผมเหมือนกันตอนนี้เขาก็เลยบอกมาท่านอาจารย์พราแม่ครูอาจารย์ชี้จุดแล้วแต่ท่านห้ามท่านไม่ทําะไรเลยเออเอาท่านห้ามแล้วก็ห้ามแล้วอ่ะตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเหมือนกันบอกว่าหลวงพ่ออินเนี่ยนะอยากจะสร้างเจดีลงตาคงอยากจะเร่งให้หลวงตาตายเร็วก็มังนี่พอมันอีกเลยโอยจากนั้นหลวงพ่อก็เลย หยุดคิดเอียงบนกันเมืงเถอะเพราะลูกศิลป์ลูกหาล ง, ลงตามากใช่ไหมล่ะพวกคิดเอเียงหน่พวกนี้คิดเมื่อหลายคนคิดงหลวงพ่อก็เลยหยุดคิดนี่แหละหลวงพ่อก็เลยบอกว่านี่แหละคือลงตาได้ได้ปรารบอยู่เรื่องเจดีพิพิธภัณฑ์เนี่ยที่กรมศิล์หรือว่าพระ อ, องค์เจ้าสิฎีพาพูดตราดเมื่อกี้เนี่ยว่าะจะสร้างเจดี60หกสิบล้าน จะสร้างพิพิธภัณฑ์สิบล้านรวมแล้วเป็นเจดสบล้านคณะสงฆ์อะไรกัแบบ ว, ว่าควรจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่ก็แค่แแว่าถ้ามีเงินถูร้อยล้านก็ควรจะสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยแดิบล้านควรจะสร้างเจดีย์ี่สบล้านคือเจดีให้ความสําคัญน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์ควรจะทําอย่างลักษณะอย่างนี้ถ้าเขียนแบบออกมาจะให้เขียนลักษณะอย่างนี้ที่จะสร้างต่อไปภายภาคหน้า อันนี้ก็คือองค์หลวงตาท่านฟันรบเครื่องพิพิธภัณฑ์มากกว่าพระเจดีอันนี้ก็ขอให้พวกเราผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านอให้รู้จุดประสงค์และความหมายขององค์หลวงตาว่าท่านมีจุดประสงค์อยากจะให้สร้างพิพิธภัณฑ์มากกว่าพระเจดีแต่ไม่สร้างพระเจดีได้ไหมอันนี้เป็นความเห็นของหลวงพ่อแล้วนะที่นี่นะออาตมาภาพเนี่ยเป็นลูกศิษย์ สององหลวงตาและก็เคยรู้จักมักคุ้นกับญาติโยมทุกคนขอแสดงความคิดเห็นแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นจุดนี้ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นแทนลูกศิษย์ลูกหาหลวงตากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งหรือคณะวัดป่าบ้า น, นตาหรือคณะศรัทธายาณุหรือคณะ ส, ณะสงู์ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงตามีอยู่สิบล้านคนหลวงพ่อนี่หลวงพ่อเอ็นี่ยหนึ่งในสิล้าน เป็นผู้แสดงความคิดเห็นหนึ่งในสิบล้านไม่ใช่แทนใครคณะไหนคณะหนึ่งเพราะนั้นขอให้รับทราบร่วมกันถ้าว่าความเห็นของหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะสร้างเจดีี่ยคือวัดป่าบัานตาเน่ที่เป็นกำแพงอยู่เดี๋ยวเนี่ยอันนี้เป็นสังขาวาดเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ถ้านอกจากออกจากกำแพงแจะเป็นมุมไหนก็ได้ของวัดป่าบัานตาตรงไหนก็ได้แต่ว่ากันเอาไว้ แต่ว่าควรจะมีกำแพงล้อมรอบอันนี้ว่าเป็นพุทธาวาสเป็นที่อยู่ของพระเจดีหรืวอว่าเป็นที่อยู่ของพิพิธภัณฑ์หรือพระเจดีอันนีกว่าเป็นพุทธาวาสที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอธิธษฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือลูกเหมือนขององค์หลวงตาอันนี้ว่าจัดเป็นพุทธาวาสในเมื่อพุทธาวาสเนี่ยอยู่ตรงนี้เนะี่ยทําไมจะมีกำแพง คือกำแพงในเท้าความไปถึงเจดีของหลวงปู่ฟันเดี๋ยวนี้คือเหลือแต่เจดีหลวงปู่ฟันสมัยสร้างแบบไหนมันก็ไม่มีอะไรมีถนนไปหมู่บ้านแล้วก็มีคลองน้ําขุดเป็นสระน้ําแล้วก็มีกําแพงข้ามสระน้ําแล้วก็มีเจดีแล้วทางนี้ฝั่งทางนี้ฝั่งตรงข้า ม, ามถนนทางนี้ชาวบ้านเขาก็ทําเป็นร้านอาหารร้านขายของจาร้านขายของทีละลึกลร้านอาหารเนี่ยเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้มันหพื้นไปหมด แต่นี้พอตกตอนเย็นพวกลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังเนี่ยเป็นพวกมหาวิทยาลัยลายพวกนักศึกษามาซื้อของเอมาเที่ยวมาเล่นมาซื้ออาหารแล้วกรมกรบพระเจดีย์แต่นี้พอค่ำเมืดอวันน่ะลูกหลานบางคนกันเนี่ไปเที่ยวไปเล่นบริเวณกลางพระเจดีย์ดูแอกับกิริยาที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเรามองเห็นแล้วว่าต่อไปภายภาคหน้าเย สิงเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในพระเจดีในสถานที่ต่างๆควรจะมีกำแพงล้อมรอบเปิดเป็นเวลา6กโมงเปิด6กโมงปิดน่าจะเป็นอย่างนั้นคือเป็นสถานที่เคารสักการะของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจริงจะถูกอันนี้คือความเห็นของอาตมานอันนี้คือความเห็นในเมื่อเข้าไปเปิดเข้าไปแล้วควรจะมีที่จอดรถสําหรับผู้สูงอายุจากนั้นก็มีศาลาหลาย สาลายถึงมีที่สวนหย่อมอะไรลักษณะอย่างนั้นแหละเนี่ยสารลายทําไมจึงมีสารลายสองหลังเยเพราะว่าคนเข้ามาตรงจากรถมาเกิดวีพงศ์วีพงศ์แต่งตัวแต่งตัวเสร็จแล้วเขา ห, ห, ห้องน้ําทั้งสอ ง, างจาก็นั่นคือมากราพระเจดีกราพระเจดีก่อนเจดีนะเจ้ว่าเจดีก็ใช่เจ้ว่าจะสาราจะตุกลมุกจะตุกลมุกก็ได้จะว่ามนตบก็ได้จะว่าจะถูกก็ใช่สุดแท้จะตั้งชื่อเ อ, อตรงเนี้ยเ อ, อ แต่พอขึ้นมาเนี่ยเทศ่จะจุได้ประมาณเท่านี้แหละอย่างน้อยหกสิบเจ็ดสบคนคือรถบัสคันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เข้ามากล่าบพร้อมกันกลาก่าวขอมากราบองค์หลวงตาก็มีพิพธิธภัณฑ์หลวงตานั่งเป็นหุ่นขี้ผึ้งหรือหุ่นยิ้นอ่อนก็ได้น่าจะมีรูปหลวงปู่มั่นด้อยตรงหลักพราะหลวงตากับหลวงปู่มั่นท่านเคารพหลวงปู่มั่นมากคือน่าจะใ ห, ให้มีอาจารย์ของท่านอยู่เบื้องหลังด้วยแล้วก็หลวงท่านแล้วก็มีอัิธาตหลวงตา เล็กมีอตาบุลเลคนบาดตีบอรของลวงตาอยู่ข้างๆลูกศิษย์ลูกหามาเขามากล่าบเออมากล่าวตั้งจิตอธิษฐานยังไงก็สุดแท้แต่ผู้ที่เขามากล่าบพอมากราบเสร็จแล้วกราบเจดีเสร็จแล้วลงไปชมพิพิธภัณฑ์ทําไมจึงให้มีเจดีถ้าปุปปับเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เลยเนี่ยคนมันจะไม่มีสถานที่สงบจิตสงบใจมันจะโลล่าโลล่าโลล่ า, ล า, ลา แต่ถ้าเท่ามากราบตรงนี้ซะก่อนขึ้นมาสงบจิตสงบใจซะก่อนมาทําบุญซะก่อนทําบุญให้ใจซะก่อนสงบใจซะก่อนจากนั้นลงไปลงไปชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์หนึ่งน่าจะจัดเป็นตั้งห้าห้าถึงหกห้องห้องหนึ่งหลงตาเกิดที่บ้านตาเป็นลูกชาวนาเราจะาอาจจะทำเป็นหุ่นขี้เึื่งก็ได้แต่ทาเป็นหุ่นกี้เึื่งแล้วก็มีแผ่นหลักศิลาจารึกบอกเลย เออลงตาเป็นลูกชาวนาอพ่อชื่ออย่างนั้นแม่ชื่ออย่างนั้นมีพี่น้องเท่านั้นคนเออมีประวัติและก็พร้อมกันกับเป็นหุนกี้ฟึฟงเออมีท้องนามีบัวมีควายมีหมูหมากาไก่มีพกกระเดื่องเออคล้ายๆก็อันนี้คืออาชีพชาวนาและอธิบายด้วยการชาวนาอันนี้ถืออันหนึง่งอันที่สองห้องที่สองต่อไป เมื่อลงตาบวชลงตาอายุยี่สิบปีลงตาจะออกบวชอันนั้นก็คือห้องหนึ่งห้องนี้เมื่อเข้าไปแล้วเอ่อก็พ่อแม่ของลงตามีลูกเก้าคนเออสิบสิบเ็ดทั้งพ่อแม่เออและการลงตาเนี่ยอายุยี่สิบปีพ่อแม่ก็อยากจะให้บวชแต่ว่าลงตาเนะี่ยมีพี่ชายคนหนึ่ง พี่ชายกับ น, น้องลวงตาจากนั้นก็นมีน้องนองสาวสามสี่คนขั้นและกับ น, น้องชายและกั น, น้องสาวแต่นี้พ่อแม่เนี่ยอยากจะให้พี่ชายคนโตนี่บวชก่อนหน้านี้แล้วแต่พี่ชายคนโตเนี่ยไปทะเลถลายไปแต่งงานไปก่อนแล้วออพ่อแม่ก็เลยหมดคล้ายๆว่าเนี่ยเสียความรู้สึกหมดหวังกับลูกชายคนโตเพราะมีแต่งงานไปแล้ว ตอนนี้ฟอมามุ่งหวังกับหลวงตาเราเทอเนะี่ยหลวงตาลูกชายลูกคนที่สองเนะี่ยแต่ลูกชายคนที่สองเนี่ยก็พออายุเยี่ยสิวมาก็เหมือนจะเป็นเหมือนกับพี่ชายคนโตอยู่เถอเนะี่ไปติดเล่นติดสาอวอยูนะ่เถอะเนี่ยดูๆแล้วจะไม่ได้บวชยังไม่อยากจะบวชอีกแล้วเถะเนี่ยเอ่อติดเที่ยว ต, ต, ติดเล่นทั้งพ่อแม่เนี่ยก็ปรึกษากันสองตาใหญ่เอ่อเอาอย่างไงถ้าหมดบัวเนี่ยออ ลูกชายบวชนี่เราก็เป็นลูกสาวนะที น, นี้แล้วใครจะบวชห้จนถึงเล็กมันะเดี๋ยวดูแล้วมันถ้าจะไม่บวชนั้มันเหมือนกับพี่ชายเนี่ยเอาอยัางไงเราควรจะเตือนเป็นกิจจาลักษณะเนี่ยวันหนึ่งพ่อกับแม่ก็เลยปรึกษากันเสร็จแล้วก็วันนั้นเป็นตอนเย็นตามปกติชาวบ้านเนี่ยเวลาตอนเย็นเขาเนึ่งข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีอาหารเอาไว้มาเลี้ยงอาหารตอนเย็น อประมาณทุ่มหนึ่งประมาณเที่ยทรั้หกโมงครึ่นึก็จะเลี้ยงอาหารมีพ่อมีแม่มีลูกทุกคนก็นมากินอาหารร่วมกันแล้วก็แยกย้ายกันหลับนอนเอีะที่พักที่นอนของลูกของหลานคือไปไปธุระอะไรก็ไปนี่คือกินข้าวกันก่อนรวมวงขันก่อนอันนี้คื อ, คอชีวิตของชาวนาแต่นนี้ขณะที่นั่งร่วมวงนั่นนะพ่อแม่ก็มาพร้อมกันเลยก็พูดพารขึ้นมาเลยเออ พ่อแม่เนะี่ยอยากจะให้บวนี้บวชนะพอพี่ชายก็อยากให้บวชก็เป็นอย่งงางนั้นไปแล้วแต่งานไปแล้วตอ น, นี้ก็ดูๆแล้วก็บัวนี่ก็ชักจะไม่บวชให้พ่อให้แม่อยากจะเที่ยวจะติดเล่นไปทช่แล้วเหมือนกับพี่ชายถ้าว่าลูกไม่บวชให้พ่อให้แม่นะดูสิแต่ละวันเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยค่าสัตว์กบเกียดอปูปลา ก็ลอกกระแตสัตว์ทั้งหลายที่มาทําอาหารเลี้ยงลูกแต่ละวันเนี่ยกี่ชีวิตถ้าว่าลูกไม่บวชให้พ่อให้แม่เนี่ยพ่อแม่ไม่รู้จะตกนรกหลุมไหนก็ไม่รู้ถ้าว่าลูกไม่บวชให้พ่อให้แม่แต่ลูกบวชให้พ่อให้แม่แลยก็พอจะได้ดึงพ่อแม่ขึ้นจากหลุมนรกถ้าว่าพ่อถ้าว่าลูกไม่บวชให้พ่อให้แม่เนี่ย พ่อแม่ไม่รู้ตกจะตกนรกหลุมไหนดูสิอาหารที่พ่อแม่หามาเลี้ยงลูกแต่ละวันเนี่เอค่าสัตว์ไม่รู้เท่าไหร่พอพูดเท่านั้นพ่อได้ยินพ่อน้ําตาล่วงเลยสิน้ําตาล่วงในในวงข้าวพอน้ําตาล่วงแม่ก็น้ําตาล่วงอีกเป็นหนุ่มบัวนี่ยเห็นน้ําตาพ่อกับแม่ร่วงโดดออกจากสหรับกับข้าวเลยวันนั้นกินข้าวไม่ลงเออ พอกินข้าวไม่ลงเทสเด็กมาคิดเะไรทีไหอคิดเอเราจะบวชไหวหรือ เ, เราจะบวชหรือไม่บวชจะบวชหรือไม่บวชได้สามวันตัดสินใจอยู่สามวันพอวันที่สามนี่ก็ตายเป็นตายวะยังไงก็ต้องบวชให้พ่อให้แม่คนอื่นเขาก็ยังบวชได้เราจะไม่จะตายขนาดนั่นแหละคือถ้าจะบวชหรือกิดเจ๊ตายแฟนที่ได้คุยกันไว้นั่นเอเอ เยอว่าจะต้องแต่งงานกันแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเข้ามามาหาพ่อแม่เอขณะที่สามวันเนี่นะพ่อแม่ทานอาหารเนี่ยไม่มาร่วมวงเลยนะนู่นเขากินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยตัวเองเนี่ยค่อยๆเหมือนกับแมวขึ้นมาย่องๆหากินอาหารตามเห่งเสร็จแล้วก็หลบไปที่อื่นเหมือนกันเพราตัดสินใจยังไม่หลงพอถึงสามวันเน่ยท่านเข้ามานั่งนางกระบอกเลยคุณพ่อคุณแม่ อยากจะให้ผมบวชผมจะบวชให้แต่ว่าจะบังคับให้ผมอยู่เท่านั้นเดือนเท่านี้ปีผมจะไม่บวช น, นะถ้าจะให้ผมบวชผมจะบวชให้แต่ถ้าจะผมจะศึกปันไหน อ, อ, อันนั้นเป็นเป็นเรื่องของผมผมจะศึกถ้าจะพ่อแม่ว่าจะให้อยู่เท่านั้นเดือนเท่านี้ปีผมจะไม่บวชถ้าพ่อแม่บังคับแม่ก็เลยพูดขึ้นว่าลูกเออแม่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดขอให้ลูกได้บวช บวชเข้าไปในโบสถ์แล้วเ อ, อกลับออกมาลูกจะลาสิกขาเลยก็ได้แม่ไม่ว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกแล้วก็เป็นที่พอใจออลูกจะศึกแม่ก็ไม่ว่าอะไรถ้าออกมาจากโบสถ์แล้วลงตาบอกว่าแม่เนี่ฉลาดจริงๆเอ <laughs> ใครจะไปกล่าวพิบัติ ท, ทาได้อย่างั้นเอ อ, ออกมาจากโบสถ์แล้วก็ศึกใครจะทํำได้ จากนั้นท่านก็เลยเอ๋อบวชก็บวชเลยก็เลยตัดจินใจบวชก็เข้าไปอยู่วัดเลยบวชต่อมาก็ได้บวชตั้งแต่เข้าไปวัดเราไม่เคยออกไปเที่ยวทะเลถไัยที่อื่นนะเราเข้าไปอยู่วัดทําหน้าที่ของการบวชเลยบวชในส่วก็บวชแล้วในพรรษาจะศึกษาธรรมะอ่านพุทธประวัติอะไรอะไรแล้วอุปชากสอนวิธีการปฏิบัตินั่งภาวนาพระอุปชาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเาจากนั้นท่านก็ไปปฏิบัติจิตใจของท่านได้รับความสงบอนี่แหละ ท่านก็เลยศึกษาต่อมาจนได้เป็นหลวงปู่หลวงตาเได้เข้าสู่นิพพานละสังขารนี่แหละไม่ใช่ท่านอยากจะบวชนะอันนี้ก็คือเป็นช่องหนึ่งเอใครเขาว่าเขียนไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังว่าเราเป็นลกูกเกิดมาเป็นลูกของพ่อของแม่นะอย่าเอาแต่ใจตัวเองคือพ่อแม่ท่านก็มีความคิดอย่างหนึ่งเบางสิ่งบางอย่างเราต้องยึดหยุ่นตามคําของพ่อแม่ด้วยอันนี้ก็แค่บว่า เป็นการสอนอนุชนรุ่นหลังต่อไปภายภาคหน้าจะเกิดประโยชน์สําหรับผพิธภัณฑ์ที่ล ง, งตาได้บวชอันนี้คือเป็นประวัติของท่านประวัติห้องที่สามคือลงตาไปบวชแล้วไปเรียนหนังสือจนได้มาหาป ร, ริญญาสามจากนั้นลงตาไปอยู่กับหลวงปู่มั่นอในขณะที่ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นก็มีหลวงปูข่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ต่างๆรุ่นนั่นนะอยู่กับหลวงปู่มั่น อท่านปู่มั่นเทศนาอย่างไงแนะนําอย่างไรอได้รับมรรคผลอย่างไรอันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นสอนหลวงตาจากนั้นพอหลวงปู่มั่นตุตินิพพานไปแล้วหลวงตาเอาแม่ออกมาบวชเนี่ยท่านมีความกตัญญูกตวเวทีตาตบพระคุณของแม่ท่านไม่ยอมทิ้งแม่ของท่านแต่นั้นก็นเอาแม่ชี้แก้วมากับมาเทศโยมแม่ทุ่แม่ท่านก็บวชพราบวชท่านก็มาปฏิบัติจากนั้นก็ที่ท่านมาอยู่บั้นตราเพราะอะไรพ่อแม่ทองท่านบอกว่า แม่ไม่ไปที่ไหนในแม่ที่อยู่พ่อแม่ไปที่ไหนไม่ได้ลูกจะไปที่ไหนก็ไปแต่ใ้เมื่อท่านเอาแม่ท่านบวชแล้วท่านก็ต้องเฝ้าแม่ของท่านอันนี้คือแสดงความกตัญญูรู้จักบุญคุณของของแม่ของท่านแต่ได้จึงมีวัดป่าบ้านตาตั้งแต่ปี2498วัดป่าบ้านตาด2498สร้างมาท่านก็อยู่มาตลอดเฝ้าแม่ของท่านดูแลแม่ของท่าน อการดูแลแม่ของอาารโอรประวัติตัวนี้ยาวเหยียดถ้าเราอยู่ใกล้ๆท่านกตัญญูกตเวิท่ตาจริงๆอง์ลงตากับแม่ของท่า น, นแต่นี้ก็พอจากนั้นท่านก็มีพระฝรังมีชาวต่างชาติมาบวชอันนี้ห้องนี้ตรงบรรยายธรรมะเท่าออ้ธรรมะที่ท่านให้แก่ประเทศชาติขอโลกสงเคราะห์โลกอะไรช่วยเหลือโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรก็มีพอต่อมาอีกห้องหนึ่หลงตา ช่วยทองคําหาทองคําเข้าคังหลวงอันนี้ไปเทศในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศอันนี้ก็นควรจะอีกอีกห้องหนึ่งอีกอีกห้องหนึ่งก็หลวงตาจตินิรพานงานพระราชทานเพลิงศพพินัยกรรมของหลวงตาเงินทุกบาททุกสตางค์เมื่อเราตายไปแล้วมาบริจาคในงานศพของเราให้นําเงินนั้นเข้าคลังหลวงซื้อทองคําเข้าคังหลวงทั้งหมดห้ามนําเงินเหล่านั้น มาใช้ในงานศพของเราศพของเราใช้ไม้จิบไม้ลังนั้นเนผะาไม่ต้องใช้เงินเงินี่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปายภายภาคหน้าให้เอาเงินซื้อทองคำเข้าข้างอยู่เพื่อเงินบาทของประเทศจะได้แข็งแกร่งในเมื่อมีทองคำหนุนหนุนเงินหนุนธนาบาัตรนี่แหละหลงพ่อว่าพิพิธภัณฑ์ของลงตาล น, น่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเออ หลวงพ่อพูดใ น, ในที่ประชุมวันนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าชาวนาก็เถอะหลวงตาร้องไห้ก็าเถอะพ่อแม่ร้องไห้ก็าเถอะสิ่งเราเนี่ยคือเอาความรู้สึกเข้าไปถ้าพวกเราเข้าไปเห็นหุ่นกี้ผึ้งที่เขาเห็นขินหุ่นกี้ผึ้งอที่มีอยู่สี่คนเขาไอ้เล่นมักเต้นมักลุกกันนะสีคนไอ้สีสหายนะ่ะเอยมีอารมณ์สี่คนมันคนละคนละอารมณ์กัน ไอ้คนที่วางหมากหมากลุกได้ผลใช่ไ้ยวาง อ, อกไปแล้วก็ยิ้มแป้นในในหมากลุกไอ้คนที่สองที่จะย้ายหมากลุกหน่วก็นักใจทํามีอารมณ์ออ ห, น ห, มหนักใจอีกเลยเออเขเห็นนี่ว่าหนักใจด้ยจะย้ายไปยังไงเนี่ยเพราะมันมันมันมันหมดประตูที่จะไปแล้วนี่ยไอ้อีกสองคนอยู่ข้างๆเน่กองเชียดอมีอารมณ์อีกแบบหนึ่งอีกเือนกันนี่แหละ พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยอยากจะให้ใส่อารมณ์อย่างนั้นใครเข้ามาแล้วเห็นแล้วหลวงตาเนื่อเมื่อพ่อแม่เตือนแล้วพ่อแม่บอกแล้วหลวงตามีความรู้สึกอย่างไงในช่วงนั้นเหลวงตาไปนั่งคิดเอออย่างนี้ในขณะที่พ่อแม่สอนลูกเนี่ยพ่อพูดแล้วน้ําตาพ่อแม่ร้องให้มีความรู้สึกอย่างไงในช่วงนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้กรมศริลปากรเอา ความรู้สึกเข้าไปในจุดนั้นให้มากๆเพื่อเป็นการสอนอนุชนรุ่นหลังต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อบอกเนี่ยเขาก็ถามท่านจะเริ่มต้นยังไง ก, ก, กรมศิลป์ครูครูกรมศิลปกรที่ท่านพูดมาเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงอาตมาก็บอกว่าหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าจะให้อาตมาเริ่มต้นเนี่ยให้ ครูบาอาจารย์ศิลเนี่กรมศิลเนีไปอ่านจดน้ําบนใบบัวของหลวงตาแล้วก็อ่านประวัติของหลวงปู่มั่นอ่านปฏิปทาพระทุรธงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่หลวงตาเขียนแล้วก็อ่านหนังสือเล่มใหญ่เล่มล่าสุดเนี่ยถึงจะไม่อ่านทั้งจบเถอะจะอ่านเป็นบางตอนเป็นบางข้อความก็จะได้แนวความคิดว่าพิพิธภัณฑ์นี้จะเขียนในรูปสนะลักษณะอย่างไรในเมื่อ ได้อ่านแล้วจะนี่หลวงพ่อว่ากรมศิลมีกี่ท่านที่เป็นอาจารย์ให้ตั้งคณะขึ้นมาเลยเราจะเอาหกห้องหกห้องเกาห้องหนึ่งเป็นอาจารย์ไหนเป็นผู้รับผิดชอบ เ, อเกี่ยวกับชาวน า, าห้องออกบวชเอาอาจารย์องค์ไหนเป็นหัวหน้าแต่และห้องละห้องถ้าได้หัวหน้าให้หัวหน้าหาลูกน้องมาเองมาเขียนจินตนาการเขียนว่าหลวงตาออกบวชมีอะไรบ้างหลวงตาออกปฏิบัติมีอะไรบ้าง หลวงตามาอยู่บ้านตาลมีอะไรบ้างหลวงตาไปเทศหาทองคำเข้าคังหลงทำยังไงบ้างนี่มันก็อยู่ในอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วอยู่ในเอ็มพสาหลวงพ่อว่าถ้าทำได้อย่างนั้นเรื่องอาคารที่ทำาน่จะเป็นรูปลักษณะอาคารพิพิธภัณฑ์จะทำลักษณะแบบตัวงูเหลือมก็ได้ตัวพญานาคก็ได้หรือจะทำแบบศาลากลางอะไรก็ได้หรือว่าทแบบศาลายใหญ่ก็ได้ สุดแท้แต่กรมสิ่งจะออกแบบเรื่องอาคารหลวงพ่อไม่หนักใจแต่หนักใจสิ่งที่อยู่ข้างในนั่นคําพูดของหลวงตาเรียกว่าธรรมเทศนาของหลวงตาหรืออกับกิริยาอริยบทของหลวงตาหุ่นของหลวงตาเนยคือตัวละครที่อยู่ในอาคารหลังนั้นะตัวนั้นสําคัญกว่ า, าตวแต่ตัวอาคารหลวงพ่อไม่ได้หนักใจเพราะทําคนสร้างอาคารมีอยู่แล้วก็คิดว่า ว่าทําได้แต่ว่าตัวเธอเนี้ยที่จะเอาความรู้สึกเขาจุดน้นนะหลวงพ่อว่าขอฝากไว้กับคณะครูบาอาจารย์ศิละปะกรทุกๆท่านและคณะสงฆ์ทุกๆท่านด้วยต้งช่วยกันใส่ใจช่วยกันดูนี่แหละหลวงพ่อให้ความคิดเห็นในวันนั้นนะอ๋เป็นยังไงพูดให้ฟังคณะศรัทธา ย, ยอดโยมลูกหลานเป็นไง ฟังฟังดูแล้วเป็นไปได้ไหมฮะ อ, ไไ อ, อืนั่นจจะแะสิต่เนี้เขาก็ถามอีกว่าท่านถ้าลักษณะอย่างเนี้ยวิธีหาเงินจะเอาอยัางไงเลหาท่าทุนเอาอยัางไงหลวงพ่อเขาบอกว่าที่ว่ากรมกรมศิลบอกว่า เอจดียี่สิบล้านเอพิพิภันหนึ่งล้านเอหเอจดีหกสิบล้านเจดีเนี่ยหนึ่งล้านเป็นเจ็ดสิบล้านแต่เมื่อก่อนที่จะเข้ามาประชุมจะเข้ามาประชุมเนะี่ยจะขึ้นมาประชุมเนะี่ยอาตมาภาพเองได้ได้ประสานไปทางเจ้าภาพหรือว่าคนที่แสดงความจำนงตอนที่หลวงตาบรรณภาบะ เจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยทาได้สร้างขึ้นมาผมขอถวายหนึ่งร้อยล้านมีผู้ถวายหนึ่งรล้านตอนนี้อาตมาภาพก็ได้ถามเขาว่าเงินที่ที่จะสร้างหนึ่งล้านนั่นยังยืนยันอยู่ใช่ไหม ย, ยังยืนยันคําเก่าอยู่ใช่ไหมเขาว่ายืนยันอยอู่เขาว่ายังยืนยันคำเก่าอยู่100ล้านเพราะฉะนั้น เจดีย์พพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยหนึ่งร้อยล้านมีอยู่แล้วแล้วก็ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาเราได้เปิดบัญชีประกาศเปิดบัญชีแต่ยังไม่เป็นทางการเปิดกันพูดธรรมดาธรรมดาอันนี้ได้ประมาณยี่สิบล้านเออได้ประมาณมายี่สิบล้านก็เป็นอันว่าเออร้อยยี่สิบล้านแล้วแต่ในเมื่อกลมศินออกแบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้วออกทางโทรทัศน์ออกทา ง, งวิทยุ คณะจัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่านะี่เจดีย์เป็นรูปร่างาออนมาลงขันเอให้ลงขันกันมากน้อยไม่ว่ากันถ้าหว่าผู้ใดก็ตามถ้าหกว่าออกสิบล้านเจดีย์เนี่ยพิพิธภัณฑ์ของ ล, ลูกตาในสิบล้านจะมีชื่อจะขึ้นชื่อตระกูลไว้ในแผ่นทิราจารึกไว้ในเจดีย์หลวงพ่อว่ า, าถ้าว่าธรรมาดาทบุญ แต่ ใ, ใครรักเคารพในองค์หลวงตาในฟังธรรมเทศนาของหลวงตาแล้วก็ลงขันกันในเมื่อลงขันกันเราจะหาเงินเพียงหนึ่งปีหรือหเดือนก็ได้หรือหนึ่งปีก็ได้พอได้เงินมาเลยรวบรวมทั้งหมดหนึ่งปีเนี่ยเราได้แต่เราประกาศประกาศประกาศพ่าหนึ่งปีเราได้เงินเท่าไหร่แต่แปลนพิพิธภัณฑ์แปลนพระเจดีย์เรางบไว้เลยหนึ่งพันล้าน สมมติว่าเนี่0หนึ่งพันล้านเอาเราถึงงบหนึ่งพันล้านนะเออแต่นี่พอพอหนึ่งปีเราได้เพียงห้าร้อยล้านเราห้าร้อยล้านเท่ากับบอกว่าเออเจดี JD ของโรงตาเนี่ยรวบรวมดูแล้วเราคิดว่าจะได้พันล้านเราจะเอาพันล้านแต่ไม่ได้พันล้านเราได้เพียงห้าร้อยล้านเราจะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ของโรงตาเนี่ยห้าร้อยล้าน หรือหกร้อยล้านประมาณหกร้อสาปีเงินร้อยล้านอาจจะมาอีกที่นึงเออเนี่ยประมาณหกรอยล้านคือการสร้างจิตดีพิพิธภัณฑ์ของดวงตาไม่ให้หนักใจผู้ใดใครผู้หนึ่งเพราะดว ง, งตาเป็นของเราทุกคนไม่ให้หนักใจแต่ไม่ใช่ว่าเราจะสร้างอย่างนี้เราวมื่อเงินยังไม่มีแล้วก็หามาด้ดยสร้างไปโดยหามาโดยสร้างพปดยแต่ถ้าหาเงินไปหาเงินไม่ทันะบางทีงวดงานมันออกมาหาเงินไปให้นั่นแหละ คณะกรรมการที่ที่ลงขันเนี่ยว่าที่เซ็นสัญญากับบริษัทเนี่เงือจะแตกหน้าแตกหลังได้ไหมหาเงินให้เขาไม่ทันเนยจะทุกข์ใจมากเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครทุกข์ใจกับเจตีของหลวงตาเพราะหลวงตาไม่ให้ใครทุกข์ใจกับท่านอยู่แล้วเพราะหลวงตาเนี่ยอยู่ในข้างท่านเลท่านทําอะไรรอบครอบท่านชันโดดท่านไม่มีอะไรที่จะให้ใครหนักใจเพราะฉะนั้นเราในฐานะสิทธญารูา้สิทธิ์ทั้งหลายก็ควรจะคิดควรจะเดินตามแนวแถวนะั้น ได้มากเราก็ทํามากได้น้อยเราก็ทําน้อยเออถ้าได้เพียงร้อยยี่สิบล้านเราก็เออเขียนแปลนใสรร้อยี่สิบล้านเราพอแล้วเออถ้าใครไม่มีศรัทธาเอาก็ไม่ว่ากันแต่หลวงพ่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเออไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเองก็เออขยึขยักเหมือนกันว่าจะใส่เต็มที่เหมือนกันเออเพ้อเพอจะเอาวัดไปจำนองสร้างเจดีย์ต่างหาก <c oughs> เพื่อเพื่อเอจะเอาวัดเข้าธนาคารเอาเงินไปสร้างกีจดีเลยเออนั่นสิเดนี่ตังตูนสาหญิงท่านก่อนนั่นอ่ะท่านรับเต็มที่เลยที่จะมาเป็นฝ่ายคารวะนะแต่ได้ทางฝ่ายสงก็ยังยังหายัางหาตัวกันไม่เจอท้งฝ่ายสง์นี่นะ เ, เขาบอกวันอยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยเป็นทั้งฝ่ายสงฆ์โอยยๆ ย, ย, ยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนพ่อเมื่องานศบของหลวงตาผ่านไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อได้รับบัตรชนเทพไม่รู้กี่ใบไว้หลวงพ่อโคเข็ดเหมือนกันนะเออทั้งที่เราเจตนาดีไม่มีอะไรเราพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างแต่มันผลออกมากับพี่น้องหลายคนเราก็ไม่ว่ากันนานาจิตตังนาน า, น า, นาทัศนะ เราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าผู้ใดข้อตามพี่น้องท่านใดก็ตามญาติโยมผู้ใดก็ตามอยากจะตาหนิอยากจะด่าหลวงพ่ออินอยากจะว่าให้หลวงพ่ออินเออว่าเข้ า, าไปก้าวไกลเข้าไปอยากได้หน้าให้ไปอ่านพินัยกรรมหลวงตาก่อนให้ไปอ่านกลับไปอ่านพินัยกรรมหลวงตาก่อนหลวงตาสั่งเสียว่าอย่างไรในพินัยกรรมให้ไปอ่านดูก่อน ถ้าไปอ่านดูแล้วจะมาด่าหลวงพอ่อหลวงพ่อยินดีหมดอ่านดูแล้วไม่เกี่ยวกับท่านอินสักหน่อยเลยจะมาดา่ายังไงหลวงพ่อก็จะยอมแต่นี้ถ้าไม่ได้อ่านตอนนั้นก่อนอย่ า, อ ย, าอย่าเยพึ่งพูดอะไรให้ไปอ่านเะก่อนพ่อลงตาท่านสั่งเสียว่ายังไงเมื่อเราตายไปแล้วให้จัดงานศพของเราอย่างไงและก็เงินมาในบริจาคในงานศพให้จัดการอย่างไรท่นี้ฝ่ายพระสงฆ์คือใคร ก็มีท่านอาจารย์ฟักองค์แรกและองค์ที่สองก็คือหลวงพ่ออินองค์ที่สามก็คือท่านปัญญาวุฒโธองค์ที่สี่ก็คือท่านอาจารย์บัญชัยภูสังโฆแต่ได้ท่า น, นอาจารย์ฟั ก, กผ่านไปแล้วตายไปแล้วยังเหลือหลวงพ่ออินแต่ท่านปัญญาก็ตายไปแล้วถึงเหลือท่านบัญชัยอาจารย์บรรชัยอาจารย์บัญชัยท่านก็สุขภาพไม่ดีอีกต่างหากเลยหลวงพ่อเองในฐานะที่เข้ามาอยู่ในจุดนี้หลวงพ่อมีกําลังเท่าไหร่ มีความสามารถเท่าไหร่เอพร้อมที่จะประสานงานได้มากน้อยแค่ไหนลูกพ่อ ท, ทําหน้าที่ที่พ่อสั่งมาให้ทําพ่อสั่งไม้ทําเราก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของพ่อสั่งเออแต่ที่เราทําไปแล้วมันผลมันออกมายัางไงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมฟังโดยสว่สดิ์ลุงพ่ออินเข้าไปจุดนี้นะมีจุดไหนบ้างที่ขาดตกบกพร่องหรือมันด่าลุงพ่ออินทุกคนนี่ว่ากลุ่มหนึ่งด่าแน่แล้ว แต่ว่าส่วนมากเขาก็ยอมรับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ล่วไหลไม่ล่วไหลได้ไงเพราะหลวงพ่อไปดูแล้วนจะทํำยังไงจริงจะไม่มหลวงพ่อสั่งตู้เซฟมาห้าสิบตู้หลวงพ่อเองสั่งมาเลยสั่งเข้ามาไม่ได้เกี่ยวกับเงินลงไตปัญหาสั่งสั่งสั่ ง, ง, งตั้งตั ง, ต ง, ตงเงินทุกบาทคนมาพี่น้องประชาชนก็ใส่พอใส่เสร็จแล้วก็ได้เวลาก็ไปเปิดแก็คนเลยก็ภายเภายเป้แล้วก็เปิดเปิดเปิด เสร็จแล้วก็ไปเทลงใต้ถุนกุฏิลงตาเน่ยธนาคารสีธนาคารนั่งล้อมรอบนับแต่ละวันแต่ละวันหลวงพ่อมั่นใจว่าเงินไม่ล่วไหลถ้าล่วงไหลก็มีอยู่บ้างแต่ไม่มากถ้าล่วงไหลามากคงจะไม่ถึงคงจะไม่ได้ถึงเจ็ดร้อยล้านขนาดนั้น เ, เงินเพียงเดือนเดียวเจ็ดร้อยล้านเจ็ดร้อยกว่าล้านหลวงพ่อว่านนี่เลยคือหลวงพ่อทําหน้าที่ จบแล้วที่หลวงพอ่อที่หลวงตาสั่งว่าให้จัดจารีละหลวงตาให้จัดงานจารีละหลวงตาหลวงพ่อจัดแล้วให้จัดเอาทองคำหาทองคำเข้าคางลวงหลวงพ่อจัดแล้วแต่หลวงตาไม่ได้สั่งว่าให้ทำอินเนี่ยไปสร้างเจดีย์ต่อท่านไม่ได้สัง่งท่านไม่ได้สัง่งเพราะนั้นได้เมื่อหลวงตาไม่สัง่ง ก็เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินเอาสองอย่างนพอแล้วเอมาได้พวกเราร่วมรวมกันทีนเดียวแต่หลวงพ่ออินไม่ถอยนะจะทิ้งไม่ทิ้งแต่ทุกพ่ออินก็จะตามไปกับปู่กับเพื่อนนั่นแหละออแต่จะให้ออกหน้าเหมือนอันนั้นไม่ได้เพราะไม่มีพินัยกรรมแต่คราวนั้นมีพินัยกรรมเหลวงพ่อทําเต็มที่บะนั้นใครก็ตามอยากจะดา่าอยากจะว่าให้หลวงพ่ออินให้กลับไปอ่านพินัยกรรมดู ให้ละเอียดซะก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันหลวงพ่อว่าคงจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้นะวันนี้พูด<ม>พอสมควเนี่ยเดี๋ยวเพรหน้าทัวร์จะว่าไงนี่เดี๋ยวหลวงพ่อจะแจกหนังสือแจกหนังสือแล้วเอ็มพีสถ้าท่านผู้ใด อ, อยากจะฟังจะค่อยไปเปิด MP ็สาฟังเลยนะแต่ฟังเอ็สมหลวงพ่อเนี่ยตั้งใจฟังเพราะว่า MP ็สหลวงพ่อเนี่ย ฟังทีแรกเนี่ยสองสามนาทีแรกเนี่ยหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับวัดอะไรอะ ไ, อะไลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าอดใจฟังไปสักสองนาทีจะเข้าประเด็จเพราะฉะนั้นแนะนำให้พวกเราที่ได้เอ็มพสามหลวงพอมีทั้งชาดกมีทั้งนิทานมีทั้งอะไรครบอยู่ในนั้นเนนแต่ยาวนะฟังจากอุดอรไปถึงกรุงเทพแล้วก็ฟังจากกรุงเทพไปถึงอุดอรหมดไปมวหนึ่ง เออมันสิด13ชั่วโมงอ่อ13ชั่วโมงแต่ละมวล้วนเพราะนั้นเอาให้ไปนี่ก็คงจะให้คนละสี่ม้วนกับมังเนี่ยไปทดลองดูนะแต่ถ้าเอาฟังถ้าท่านผู้ใดนะฟังดูแล้วไม่มได้เรื่องเนาะเทศหลวงพ่ออินให้สงกับคืนมานะจะไปทิ้งนะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าผู้ใดผู้ใดยอยากจะฟังเอ็มพีสามของหลวงพ่อนะอยู่ในไทยคม ไทยคิดไทยคมแต่ว่าเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์นะจานเหลืองแต่เปิดโทรทัศน์เปิดวิทยุไม่ได้เปิดโทรทัศน์แต่ว่าไม่มีภาพแต่จะมีช่องวิทยุไทยคมสองเก้าสิบเก้าเมกะเฮิรต์ของไทยคมช่องเพื่อการศึกษานะเปิดฟังเลยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเทพมาตั้งแต่เดือนเดือนพิษุนาสองนสี่ร้อยห้าสิบสองนะ นี่เอาเข้อนี่แหละหมุนเวียนกันอยู่อย่างนั้นเออหลวงพ่อไปหลวงพ่อยังฟังๆโอ้ยไมยังพูดยาวเหลือเกินเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ยสงสารหลวงพ่ออินเหลือเกินเนี่ยว่พูดทั้งวี่ทั้งวันทั้งหลายเดือนทั้งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพูดอยู่แค่ตลอดเลยเนี่ยเอ็พสามเพราะฉะนั้นพวกคณะจัตตารายาดยมูมผู้ใดทํำหิจารจารเหลืองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกครูบาอาจารย์นะเปิดฟังได้เลยเก้าสิบเก้าไม่เกิดเหตุเอเอมของไทยคม แต่ไม่มีไม่มีภาพนะนีแต่เสียมเออรับพอน น, นนะัตเนียร